ลำดับนั้นอาจารย์เกวัตตะจึงกราบทูลพระเจ้าจุลนีว่าบัดนี้ข้าประบาดจักไปเพื่อกําหนดวันพระราชาตรัสว่าดีแล้วอาจารย์ท่านควรจะเอาอะไรไปบ้างเกวัตตะกราบทูลว่าควรเอาบรรณาการไปบ้างเล็กน้อยพระเจ้าค่าก็ทรงอนุญาตเกวัตตะก็ถือเอาเครื่องบรรณาการไปด้วยบริวารใหญ่ถึงวิเทหรั เสียงโกลาหนเป็นอันเดียวกันได้บังเกิดในกรุงมิถิลาเพราะได้ฟังการมาของเกวัตตะว่าได้ยินว่าพระเจ้าจุลณีกับพระเจ้าวิเทหราชจะกระทำสัมพันธไมตรีต่อกันฝ่ายพระเจ้าจุลณีจักประธานพระราชธิดาของพระองค์แด่พระราชาของพวกเราได้ยินว่าพร้อมเกวัตตะมาเฝ้าเพื่อกาหนดวันเสด็จไปอภิเศษ พระเจ้าวิเทหราชได้ทรงฟังคำนั้นแม้พระมหาสัตย์ก็ได้ฟังเหมือนกันความปริวิตกได้มีแก่พระมหาสัตย์ว่าการที่เกวตตะมาย่อมไม่ชอบใจเราเราจะรู้เหตุนั้นโดยความเป็นจริงดังนี้เพราะได้ยินคำลือนั้นมโหสดจึงส่งข่าวไปยังบุรุษที่วางไว้ในสำนักของพระเจ้าจุลนีว่า เจ้าจงรู้ข้อความนี้ตามความเป็นจริงท่งข่าวมาให้รู้ลำดับนั้นพวกบุรุษที่วางไว้จึงส่งข่าวตอบมาว่าข้าพเจ้าทั้งหลายไม่รู้ข้อความนี้โดยความเป็นจริงพระเจ้าจุลนีกับเกวตะนั่งปรึกษากันอยู่ในห้องบรรทมก็แต่นกสาลิกาที่เลี้ยงไว้ในที่บรรทมของพระเจ้าจุลนีรู้ความคิดอันนี้ พรมมหาสัตว์ได้สดับดังนั้นแล้วคิดว่าเราจะไม่ให้เกวตตะเห็นบ้านเมืองที่จัดดีแล้วจำแนกดีแล้วอย่างที่ปัจจามิตรไม่มีโอกาสมโหสถจึงให้ล้อมทางที่มาทั้งสองข้างและเบื้องบนด้วยเสื่อลำแพนตั้งแต่ประตูพระนครจนถึงพระราชนิเวศและตั้งแต่พระราชนิเวศจนถึงเรือนตนให้เขียนภาพโปรยดอกไม้ที่พื้น ให้ตั้งหม้อน้ำมีน้ำเต็มและให้ปักต้นกล้วยผูกธงไว้เกวัตตะเข้าสู่พระนครเมื่อไม่เห็นเมืองที่จำแนกดีแล้วก็คิดว่าพระราชาให้ตกแต่งมัคคะไว้รับเราไม่รู้ว่าเขาทำเพื่อไม่ให้เห็นบ้านเมืองเกวัตตะไปเฝ้าถวายบังคมพระเจ้าวิเทหราชถวายเครื่องบรรณาการทูลปฏิสันฐานแล้ว นั่งณนะที่ควรส่วนหนึ่งอันพระเจ้าวิเทหราชทรงทรรักการะสัมมาณะแล้วเมื่อจะกราบทูลถึงเหตุการณ์ที่ตนมาได้กล่าวสองคาถาว่าพระราชามีพระราชาประสงค์จะทรงทำสันทวมัยตรีจะประทานรัตรนะทั้งหลายแด่พระองค์แต่นี้ไปทูตทั้งหลายผู้มีวาจาไพเราะกล่าวคําที่น่ารักจงมา จงกล่าววาจาอันอ่อนหวานเป็นวาจาที่น่ายินดีปัญจารัตนและวิเทหรัตทั้งสองนั้นจงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันบรรดาคาเหล่านั้นคำว่ามีพระราชประสงค์จะทรงทำรรสันทวไมตรีแต่พระองค์สันทวกามโมเตความว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้าพระราชาของข้าพระองค์ทั้งหลาย มีพระราชประสงค์จะทรงธรมสันธวมัตรีกับด้วยพระองค์คำว่ารัตนทั้งหลายรัตานานิความว่าจะประทานรัตนทั้งหลายตั้งต้นแต่พระราชธิดาซึ่งเป็นอิทธิรัตนะแด่พระองค์คำว่าจงมาอาคัตฉันตุความว่าได้ยินว่าตั้งแต่นี้ไปทูตทั้งหลายผู้มีวาจาไพาระ กล่าวคำที่น่ารักคุมเครื่องบรรณาการแต่อุตรปัญจาลนครมาในมิถิลานครนี้และแต่มิถิลานครนี้ไปในอุตรปัญจาลนครนั้นคำว่าจงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเอกะพระวันตุความว่าขอรัฐทั้งสองนั้นจงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทีเดียว ดุดน้ำในคงคาไหลร่วมกับน้ำในยมูนาฉะนั้นก็แลครั้นกราบทูลอย่างนี้แล้วเกวัตตะได้กราบทูลต่อไปว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้าพระราชาของข้าพระเจ้าใครจะทรงมหาอามาตย์อื่นมาก็ไม่สามารถจะแจ้งข่าวให้เป็นที่ชอบพระราชหฤทยัยเพราะฉะนั้นจึงท่งข่าพระองค์มาโดยพระราชโองการว่า ท่านอาจารย์ท่านจงยังพระเจ้าวิเทหราชให้ทรงทราบดีแล้วพาเสด็จมาข้าแต่พระราชาผู้ประเสรศิฐขอพระองค์เสด็จราชดำเนินไปจักได้พระราชธิดามีรูปงามนักและสันทวมัยตรีกับพระราชาของข้าพระองค์ทั้งหลายจักดำรงมั่นแด่พระองค์พระเจ้าวิเทหราชได้ทรงสดับคาของเกวัตตะแล้วทรงโสมนัส ข้องอยู่ด้วยอันได้ทรงฟังว่าจากได้พระราชธิดารูปงามที่สุดจึงตรัสว่าแน่อาจารย์ได้ยินว่าความวิวาดในพระธรรมยุทธ์ได้มีแก่ท่านและมโหสถท่านจงไปหามโหสถบุตรเราท่านทั้งสองเป็นบัณฑิตจงยังกันและกันให้ขมาโทษปรึกษาหารือกันแล้วจงกลับมา เกวตตะได้ฟังพระราชดำรัสก็ไปด้วยคิดว่าเราจะพบมโหสถปายพระมหาศัตว์รู้ว่าเกวตตะจะมายัางสำนักตนวันนั้นจึงคิดว่าการที่เราจะเจรจากับเกวตตะผู้มีกรรมอลามกเป็นธรรมดาจงอย่าได้มีเลยคิดดังนี้แล้วจึงดื่มเนยใสยหน่อยหนึ่งแต่เช้าผู้รักษาเรือนเอาโคไมสดเป็นอันมาก ละเลงเรือนมโหสถแล้วเอาน้ำมันทาเสาทั้งหลายแต่ตั้งเตียงผ้าไว้หนึ่งเตียงสำหรับเป็นที่นอนแห่งมโหสถนอกจากนี้ให้เก็บเสียสิ้นไม่ว่าเตียงหรือตังมโหสถได้ให้สัญญาแก่ชนบริวารว่าเมื่อพรามปราถนาจะพูดกับพวกเจ้าพวกเจ้าพึงกล่าวอย่างนี้ว่าแน่พรามท่านอย่าพึงพูดกับท่านบัณฑิต เพราะวันนี้ท่านบัณฑิตดื่มเนยใสในเมื่อเราทำอาการจะพูดกับเกวตะพวกเจ้าพึงห้ามเสียว่าท่านดื่มเนยใสอย่างแรงท่านอย่าพูดมโหสถจัดอย่างนี้แล้วนุ่งผ้าแดงวางคนรักษาไว้ที่ซุ้มประตูทั้งเจ็ดชั้นแล้วนอนบนเตียงผ้าฝายเกวตตะยืนที่ซุ้มประตูที่หนึ่งของเรือนมโหสถถามว่าบัณฑิตอยู่ไหน ลำดับนั้นชนทั้งหลายก็ห้ามพรามเกวัตตะว่าแน่ ä, พรามท่านอย่าส่งเสียงถ้าท่านอยากจะมาจงมานิ่งๆเพราะวันนี้ท่านบัณฑิตดื่มเนยใสยอย่างแรงท่านจะต้องไม่ทำเสียงอื้ออึงชนทั้งหลายที่ซุ้มประตูนอกจากนี้ก็กล่าวห้ามพรามอย่างนั้นเกวัตตะล่วงชั้นประตูที่เจ็ดก็ถึงสํานักมโหสถ มโหสดแสดงอาการจะพูดลำดับนั้นจนทั้งหลายกล่าวห้ามว่าท่านอย่าได้พูดเพราะท่านดื่มเนยใสยอย่างแรงประโยชน์อะไรด้วยการพูดกับพรามร้ายนี้เกวตตะไปสานักมโหสถบัณฑิตไม่ได้นั่งไม่ได้แม้ที่ยืนอาศัยอาสนะต้องยืนเหยียบโคลไมสดอยู่ลำดับนั้นคนใช้ของมโหสดคนหนึ่งแลดูเกวตตะแล้วเลิกตาขึ้น คนหนึ่งแลดูแล้วยักคิ้วคนหนึ่งแลดูแล้วทำท่าตีศอกคนบางพวกแสดงมือและเท้าท่าต่างๆเป็นต้นเกวตตะเห็นกิริยาของพวกมโหสถก็เก้อเขินกล่าวว่าแนะ่ท่านบัณฑิตข้าพเจ้าลาไปละเมื่อคนอื่นๆกล่าวว่าแนะ่พรามร้ายถอยแกอย่าส่งเสียงถ้าว่าแก้ข้นส่งเสียงพวกเราจากทำลายกระดูกแกเสีย ก็เป็นผู้ทั้งกลัวทั้งตกใจกลับไปไม่เหลียวหลังลาดับนั้นคนหนึ่งลุกขึ้นตีหลังเกวัตตะด้วยซีกไม้ไผ่คนหนึ่งตีหลังด้วยฝ่ามือคนหนึ่งสายคอผลักไปในระหว่างเกวัตตะทั้งกลัวทั้งตกใจออกไปสู่พระราชวังดุดมฤตพ้นจากปากราชสีพระเจ้าวิเทหราชทรงดำริว่า วันนี้บุตรของเราได้ฟังประพฤติเหตุนี้แล้วจักเป็นผู้ยินดีธรรมสากัดฉาใหญ่จะพึงมีแก่บัณฑิตทั้งสองวันนี้บัณฑิตทั้งสองจักยังกันและกันให้เข้ามาโทษเป็นลาบของเราหนอพระองค์ทอดพระเนตรเห็นเกวัตตะเมื่อจะตรัสถามอาการพบปะกับมโหสถบัณฑิตจึงตรัสคาถานี้ว่าท่านอาจารย์เกวัตตะ ท่านได้พบกับมโหสดเป็นอย่างไรเนอเดินกล่าวข้อความนั้นเถิดมโหสดกับท่านต่างงดโทษกันแล้วกระมังมโหสดยินดีแล้วกระมังบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าต่างงดโทษกันแล้วปฏินิชตโตความว่าเพื่อระ ง, งับการทะเลาะกันที่เป็นไปในสนามธรรมยุทธมโหสดได้งดโทษให้ท่าน และท่านก็ได้งดโทษให้มโหสถแล้วหรือคำว่ายินดีแล้วกระมังกจิตุโถความว่ามโหสถได้ฟังประพฤติเหตุที่พระราชาของพวกท่านส่งมายินดีแล้วกระมังลำดับนั้นเกวตตะทูลว่าพระองค์อย่าทรงถือมโหสดว่าเป็นบัณฑิตเลยพระเจ้าฆ่า คนที่ชื่อว่าเป็นอสัป บ, บุรุษยิ่งกว่ามโหสถไม่มีแล้วกล่าวคาถานี้ว่าข้าแต่พระจอมประชากรบุรุษที่ชื่อมโหสถเป็นคนเลวไม่น่าชื่นชมกระด้างมิใช่สัป บ, บุรุษไม่พูดข้อความอะไรสักคำเหมือนคนใบ้คล้ายคนนว่บรรดาคำเหล่านั้นคำว่าไม่ใช่สัป บ, บุรุษอสัพพิรูปโปได้แก่ มิใช่ชาติบัณฑิตคำว่าไม่พูดข้อความอะไรสักคำณอนะินจิตถังความว่ามโหสถไม่กล่าวข้อความอะไรอะไรกับข้าพระองค์ด้วยเหตุนั้นแลข้าพระองค์จึงเข้าใจว่าเขาไม่ใช่บัณฑิตเกวัตตะกล่าวโทษของพระโพธิสัตว์ด้วยประการชนิษพระเจ้าวิเทหราชได้ทรงฟังคําของเกวตตะแล้วไม่ทรงยินดี ไม่ทรงคัดค้านโปรดให้พระราชทานสเสบียงและเรือนพักอยู่แก่เกวตตะและเหล่าบริวารที่มาด้วยทรงส่งเกวตตะไปด้วยรับสั่งว่าเชิญท่านอาจารย์ไปพักผ่อนดังนี้แล้วทรงดำริว่ามโหสถบุตรของเราเป็นผู้ฉลาดในปฏิสันฐานได้ยินว่าเขาไม่ได้ทำปฏิสันฐานกับเกวตตะเลยไม่แสดงความยินดี เขาจะเห็นภัยอะไรอะไรในอนาคตดํมริชนีแล้วก็เริ่มกถาขึ้นเองตรัสคาฐานนี้ว่าแผนการนี้เห็นได้แสนยากโดยแท้ความมุ่งหมายที่แท้จริงอนณระผู้มีความเพียรเห็นแล้วความจริงกายของเราก็หวั่นไหวใครจักละแคว้นของตนไปสู่เงื้อมือของคนอื่นเล่าบรรดาคำเหล่านั้นคำว่านี้อิทัง ความว่าบทมนี้ที่บุตรของเราเห็นแล้วคนอื่นนอกนี้เห็นได้แสนยากโดยแท้คําว่าอนน ร, รผู้มีความเพียร น, นระวิริเยนะความว่าความมุ่งหมายที่แท้จริงอนน ร, รผู้มีความเพียรจากเห็นแล้วคําว่าของตนสยังความว่าใครจักละเว่นเคว้นของตนไปสู่เงื้อมือของคนอื่นเล่า ในเวลาที่พระเจ้าวิเทหราชทรงนึกถึงข้อความนั้นว่าบุตรของเราจากเห็นโทษในการมาของพรามเกวตตะด้วยว่าเกวตตะนี้เมื่อมาจักมิได้มาเพื่อต้องการสันทวมัมตรีแต่คงมาเพื่อเล่าลมเราด้วยการมาคุณแล้วพาไปเมืองของตนเอาตัวไว้บุตรของเราจากเห็นภัยในอนาคตนั้นแล้วทรงนึกอยู่อย่างนี้ ก็ทั้งกลัวทั้งสะดุ้งประทับนั่งอยู่บัณฑิตทั้งสี่คนมาเฝ้าพระราชาตรัสถามเซนกะว่าการที่เราจะไปอุตตรปัญจาลนครนําพระราชธิดาของพระเจ้าจุลณีมาท่านชอบใจอยู่หรือเซนกะกราบทูลว่าพระองค์รับสั่งอะไรพระเจ้าค่าเพราะว่าควรที่พระองค์จะนําสิริซึ่งมาถึงอย่าให้หนีไปเสีย หากพระองค์เสด็จไปกรุงปัญจาละก็จะได้รับพระราชธิดามากษัตย์องค์อื่นยกเสียแต่พระเจ้าจุลนีพรหมทัตจกเป็นผู้เสมอด้วยพระองค์ย่อมไม่มีในพื้นสกลชมพูทวีปเพราะอะไรเพราะพระองค์ได้พระราชธิดาของพระราชาผู้เป็นใหญ่มาเป็นมเหสีจิงอยู่พระเจ้าจุลนีพรหมทัต เป็นพระราชาเลิศในพื้นสกลชมพูทวีปใครจะยกพระราชธิดาผู้ทรงพระรูปโฉมอันอุดมถวายแด่พระองค์ก็ด้วยทรงเห็นว่าพระราชานอกนี้เป็นคนของเราพระเจ้าวิเทหราชพระองค์เดียวเสมอเราขอพระองค์ทรงทำตามคำของพระเจ้าจุลนีเถิดแม้พวกข้าพระองค์ก็จะได้ผ้าและเครื่องประดับทั้งหลายเพราะอาศัยพระองค์ พระเจ้าวิเทหราชตรัสถามอาจารย์อีกสามคนที่เหลืออาจารย์เหล่านั้นก็กราบทูลเช่นเดียวกันเมื่อพระราชากำลังรับสั่งอยู่กับอาจารย์ทั้งสี่พราหมเกวัตต์ออกจากเรือนพักรับรองมาถวายบังคมพระราชาด้วยคิดว่าเราจักทูลลาพระราชากลับจึงกราบทูลว่าข้าแต่ส ม, มุติเทพข้าพระองค์ไม่อาจรอช้า จากทูลลากลับพระราชาทรงทำสักการะแก่เกวตตะแล้วทรงส่งเขากลับไปพระมหาสัตว์รู้ว่าเกวตตะกลับแล้วจึงอาบน้าแต่งกายไปเฝ้าพระราชาถวายบังคมพระราชาแล้วนั่งณที่ควรส่วนหนึ่งพระราชาทรงดำริว่ามโหสถบัณฑิตบุตรเราเป็นผู้มีความคิดรอบคอบถึงฝั่งแห่งมน ย่อมรู้ข้อความทั้งหลายทั้งในอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นนักปราดจักรู้ว่าควรหรือไม่ควรที่เราจะไปในกรุงปัญจาละพระองค์มิได้ตรัสเรื่องของพระองค์ที่ทรงคิดไว้โกนเป็นผู้กำนัดยินดีเพราะราคะหลงเพราะโมหะเมื่อจะตรัสเถามจึงตรัสคาถานี้ว่าพวกเราทั้งหกคนเป็นบัณฑิต มีปัญญาสูงสุดดุดแผ่นดินมีมติเสมอกันเป็นเอกฉันทีเดียวพ่อมโหสดแม้เจ้าก็จงลงมติไปว่าไปไม่ไปหรือว่าอยู่บรรดาคำเหล่านั้นคำว่าหกฉันนางความว่าพ่อบัณฑิตพวกเราหกคนคือรามเกวัตตะหนึ่งเราหนึ่งและอาจารย์สี่คนเหล่านี้ คำว่ามีมติเสมอกันเป็นเอกชนทีเดียวเอกาวะมติความว่ามีอัธยาศัยเป็นอันเดียวกันร่วมกันเสมอกันเหมือนน้าแม่น้ำคงคาไหลร่วมกับแม่น้ำยะมุนาฉะนั้นคำว่าราใดายเยความว่าพระเจ้าวิเทหราชตรัสว่าพวกเราทั้งหกคนเป็นบัณฑิตสูงสุด มีปัญญาสูงสุดดุดแผ่นดินเหล่านั้นย่อมชอบใจการที่พระเจ้าจุลณีนำพระราชธิดามาคำว่าอยู่ฐานังได้แก่อยู่ในที่นี้เท่านั้นคำว่าลงมติมติงกะโรหิความว่าชื่อว่าความชอบใจของพวกเรายังเอาเป็นประมาณไม่ได้แม้เจ้าก็จงแสดงความคิดว่า การที่พวกเราไปปัญจาละนครเพื่อประโยชน์อาวาหะมงคลหรือไม่ไปหรืออยู่ในที่นี้เท่านั้นเจ้าชอบอย่างไร